เป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ปีฉลูศตศกพุทธศักราช 2,408 สมเด็จพระจองกล้าวเจ้าอยู่หัวจึงทรงสถาปนาพระเทพกวีโตขึ้นเป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์รับอีรัญญบัตรมีฐานาสิบองค์มีนิตยพัฒ32บาทค่าเข้าสารหนึ่งบาทต่อเดือนสมเด็จมีพระชนมายุ78พา 56, ได้เป็นสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ ในปีโศกันสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงโศกันคราวนี้มีเขาไกลลาดรวมที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่เป็นเจ้าอาวาสวัดระคังมาได้ส5ห้าปีจึงได้เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ในปีฉลูสัพตศกพุทธศักราช 2,408 ในปีที่ส5้าในราชาการที่สี่กรุงเทพมหานคร ครั้งหนึ่งมีราชการโศกันคำว่าโศกันตามพจนานุกรมหมายถึงการมหรสพอย่างหนึ่งของหลวงที่แสดงในงานพระราชพิธีสมโภชเป็นพิธีหลวงของพิธีโกนจุกโดยมีไว้เฉพาะเชื้อพระวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปครั้งหนึ่งมีราชการโศกันสังฆาลีวางดีกาวายารุง่งและถวายพระพรถวายชัยมงคลคถา พระกิจโสการวางดีกาสมเด็จพระพุทธอาจารโตรัานได้เวลาย่ำรุ่งตรงท่านก็มาถึงพระมหาประสาทยังไม่เปิดพระทวารสมเด็จพระพุทธจารย์ก็มานั่งอยู่ตรงบันไดพระมหาประสาทชั้นบนแต่ท่านกระสวดชัยมงคลคถาจะยันโตโพธิยาลั่นอยู่องค์เดียวสามจบแล้วท่านก็ไปชันเข้าต้มที่ทิมสงคือที่พักชั่วคราวสําหรับพระภิกษุสงฆ์ในพระราชวัง และท่านก็ไปพักจำวัดในโรงม้าต้นในพระบรมมหาราชวังเวลาสามโมงเช้าเสด็จออกจวนพระเลิกสังคากาลีประจุพระราชาคณะประจาที่หมดยังขาดแต่สมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์องค์เดียวเที่ยวตามหากันลั่นไปหมดสมเด็จพระจอมเกล้าทรงกลิ้วใหญ่กุกทนายเลือกสนมในบอกต่อๆกันเข้าไปว่าได้เห็นสมเด็จหายเข้าไปในโรงม้าตน้น พวกสังฆาลีเข้าไปค้นคว้าเอาองค์ท่านมาได้ช่วยกันรุมกันดันส่งเข้าไปในพระทวารรันทอดพระเนรเห็นก็กรี๊วแหวรับสั่งว่าถอดถอดไม่ระวังรั้วงานราชการเป็นคุณนางไม่ได้แฉกคืนเร็วๆ เ, เ, เอาชายันโตทีเดียวรัวโตก็เดินเชยันโตจนถึงอาสนะสงฆ์แล้วนั่งลงเข้าแถวสวดประจองกล่าวเจ้าอยู่หัวก็สรงขีพระเมาลี บระบรมวงสาวนุวงผู้ใหญ่ก็ขีบลากนเป็นลำดับไปรันเสร็จแล้วทรงประเคนถวายพระสง์แล้วเสด็จเข้าในพระฉากกรวโตฉันแล้วก็นั่งนิ่งเสด็จออกเร่งให้ยะถากรวโตก็ยะถาแต่ไม่ตั้งตาลปัดเวลานั้นพระธุระมากมูหันพระพักไปรับสั่งราชการกิจอื่นๆ พระพุทธจารย์โตก็เดินดุ่มดุ่มรีบออกไปลงเรือข้ามฟากพอแปรพระพักมารับสั่งว่าทวายอดีเรกจะรีบรีบพระราชาคณะรงรองลงมาก็ไม่มีใครกล้านั่งงันกันไปหมดรับสั่งถามว่าอา้าวสมเด็จหายไปไหนมีผู้กราบทูลว่าท่านกลับไปแล้วอา้าวพัดยังอยู่จะรอยจะทำใจน้อยไม่เอาพัดไปเร็ว เอาพัดไปส่งให้ตัวมาถวายอดิเร ก, ก่อนสังฆาลีรีบออกเรือตามร้องเรียกเจ้าคุณขอรับมีมนกลับมาก่อนมาเอาพัดแจกท่านร้องตอบมาว่าพอจะตั้งสมเด็จกลางเม่น้ำได้หรือสังฆาลีว่ารับสั่งให้หาท่านก็ข้ามกลับมาเข้าทางประตูต้นสนดุมๆขึ้นมาบนพระปราสาสแล้วรับสั่งให้ถวายอดเกเร็วๆ ทูลว่าขอถวายพระพรถวายไม่ได้รับสั่งถามว่าทำไมถวายไม่ได้ทูลว่าขอถวายพระพรเหตุพระราชบัญญัติตราไว้ว่าให้พระราชาณะถวายอดิรเรกบัดนี้อัตมาภาพกลายเป็นพระอันดับแล้วจึงไม่ควรถวายอดิเรก ข, ขอถวายพระพรรับสั่งว่าอ๋อจริงจริงเอาสิตั้งกันใหม่ รรมวางออกหมายตั้งสมเด็จบอกวิเลอร์เลี้ยงพระอีกสังฆาลีวางดีกาเอาพระชุดนี้ก็ได้วิเลอร์ทำไม่ทันก็ทำแต่น้อยก็ได้เพียงห้าองค์สุภ ร, รัตเตรียมพระไตรตั้งและไตรพระชยันโตและเสด็จพวกสังฆาลีวางดีกาพระชุดโศกันกำหนดเวลาเลยกลับไม่ได้เวลาห้าโมงเสด็จออกทรงประเคนพระชนแล้วประกาศตั้งสมเด็จ ทรงพระประเคนอีรัญญบัตรประเคนไตรบาทตลปัดย่ามพระชยันโตคราวนี้สมเด็จยกไตรแพรครองกลับเข้ามาอนุโมทนาและถวายอดิเรกถวายพระพร ล, ลาเป็นอันเสร็จการเป็นคราวหนึ่งหมายเหตุผู้อ่านสมเด็จพระจอมเกล้าวราชการที่สี่นั้น ท่านทรงกริ้วและประกาศถอดสมณศักดิ์ของสมเด็จโตซึ่งเป็นอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นเมื่อถึงเวลาจะถวายอดีรเรกสมเด็จโตท่านจึงกลับวัดทันทีเพราะว่าถือว่าขาดจากตาแหน่งแล้วเมื่อทรงตามที่กลับมาจึงต้องมีการแต่งตั้งกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องอะไรอะไรก็ถวายได้ แต่ผ้าเช็ดมือไม่ถวายต่อมาได้เข้าไปฉันในพระบรมราชวังได้ทรงประเคียนไตรแพท่านก็นำไตรแพนั้นเช็ดปากเช็ดมือยุ่งไปหมดรับสั่งทักว่าไตรเข้าดีๆเอาไปเช็ดเปลอหมดท่านตอบว่าอะไรถวายได้ผ้าเช็ดมือถวายไม่ได้อัตมาภาพก็ต้องเอาผ้าไตรของอัตมาเองเช็ดอัตมาเอง เป็นอันได้บริโภคของทายกแล้วไม่เป็นศรัทธาทยวินิบาตหมายเหตุคำว่าทยะน่าจะมาจากคำว่าทยธรรมคือของรรทาบุญถวายพระส่วนวินิบาตหมายถึงการทำลาย